เงียบคืออะไรคุณไม่อาจบ่มเพาะให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยการมาฟังผมมารับรูปแบบของความเงียบหรือสิ่งที่ไม่ใช่ความเงียบแล้วนําไปปฏิบัติเพื่อจะไปให้ถึงหรือเพื่อฉกฉวยไขว้คว้าเอาความเงียบนั้นคุณไม่สามารถทําเช่นนั้นได้แน่นอนแล้วความเงียบนี้คืออะไร เราสามารถพรนานาถึงความเงียบได้ไหมหากพันานาเกี่ยวกับมันได้ไม่ว่าในเชิงบวกหรือเชิงลบแสดงว่ายังมีผู้สังเกตและยังมีศูนย์กลางที่มองดูมันว่ามันคือความเงียบศูนย์กลางนั่นเองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นโดยพูดว่าฉันจะบ่มเพาะให้ความเงียบเกิดขึ้นได้อย่างไร ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนไม่ใช่หรือว่าจิตจะต้องสงบเงียบลงหากว่ามันต้องการจะฟังเสียงลำทานหรือมองดูต้นไม้มองดูใบหน้าคนอื่นในการดูในการฟังในการเรียนรู้ต้องมีความสงบเงียบระดับหนึ่งจำเป็นต้องมีความใส่ใจที่ตั้งมั่น ไม่ทำการใดๆแต่ไม่ใช่เป็นความว่างเปล่าไม่ใช่ความเงียบที่จงใจจะเงียบไม่ใช่ความเงียบที่บ่มเพาะขึ้นหากเราสืบค้นว่าความเงียบคืออะไรความสงบเงียบคืออะไรเรามาจะเสกสร้างมโนภาพสัญลักษณ์และถ้อยคำขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นศูนย์กลาง ความเงียบสงบนี้คืออะไรธรรมชาติและโครงสร้างของความเงียบเป็นอย่างไรไม่ใช่โครงสร้างของถ้อยคำซึ่งพรนธนาถึงความเงียบโปรดเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนว่าคุณไม่ได้มาฟังผมหรือพยายามที่จะเข้าใจผมซึ่งเป็นผู้พูดเพราะผู้พูดไม่สาคัญอะไรทั้งสิน้นสิ่งสาคัญอยู่ที่การเข้าใจธรรมชาติและโครงสร้างของจิตที่เงียบ และจากความเงียบเช่นนั้นจึงเรียนรู้และกระทาการเรียนรู้ก็คือการกระทาจิตที่ควานหาจะให้มีประสบการณ์มากขึ้นให้ได้ความตื่นเต้นสนุกสนานความรู้สึกทางประสาสัมผัสมากขึ้นจิตเช่นนั้นไม่เงียบฉะนั้นมันจึงมีประสบการณ์อยู่ภายในขอบเขตของอิทธิพลกาหนด และภายในความรู้ของมันเองเท่านั้นความเงียบไม่เพียงเงียบจากความคิดเท่านั้นแต่เป็นความเงียบของสมองด้วยสมองซึ่งมีระบบประสาทเสล์สมององค์ประกอบทุกอย่างสงบเงียบแต่ตื่นอยู่และใส่ใจเป็นที่สุดมันต้องเป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อมีความเงียบเช่นนี้ จึงมีที่ว่างและเพราะมีที่ว่างจึงมีความรักคุณไม่สามารถเข้าถึงมันได้ด้วยการฝึกฝนโดยบอกว่าฉันจะพยายามรู้ตัวก่อนแล้วก็จะรู้ตัวโดยปราศจากการเลือกจากนั้นจะใส่ใจและความเงียบก็จะเกิดขึ้นจิตนั้นแสงคับแคบคุณต้องการให้ทุกอย่างอยู่บนกระดาษพิมพ์เขียว และทั้งหมดที่คุณจะต้องทำก็แค่ปฏิบัติไปตามนั้นแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันอยู่ที่คุณจะมองเห็นมันทั้งหมดหรือไม่เห็นความงามยามอาทิตย์อัสดงเห็นหมู่พฤกษชาติและเห็นความงามทั้งปวงแห่งสมาธิเห็นอย่างสมบูรณ์ในทันทีทันใดแล้วหลายรินไปกับมันหรือไม่คุณก็มองไม่เห็นอะไรเลย จากนั้นคุณจะเห็นว่าความรักเปลี่ยนแปลงทุกบทบาทของชีวิตทันทีนี่คือปัจจัยกระตุ้นส่งเสริมเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดอีกแล้วที่จะก่อให้เกิดการผ่าเหล่ากลายพันุ์ของจิตอย่างเป็นทั้งหมดเราจำเป็นต้องมีการผ่านเหล่าชนิดนี้เพราะมนุษย์มีชีวิตอยู่ในความทุกข์ทรมานมาแสนนานชีวิตที่เป็นอยู่แต่ละวันช่างทุกข์ทรมาน ไร้ความแน่นอนมีแต่ความสับสนความขัดแย้งและเป็นชีวิตที่ไร้แก่นสารทว่าการมีชีวิตอยู่มีความหมายพิเศษสุดชีวิตที่ไปทํางานพูดคุยกับภรรยาของคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตนั้นจะมีความหมายมหาศาลหากคุณรู้ว่าจะมองดูและเข้าถึงมันอย่างไร การที่จะค้นพบการเข้าถึงการเห็นความงามของมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความเงียบมีที่ว่างและมีความรักเท่านั้นนั่นคือสัจจะและเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่สำคัญต่อชีวิตจากนั้นสวงสวรรค์และห้วงนรกทั้งหมดก็เปิดออกแล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องสแสวงหาพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเข้าโบสถ์ หรือเข้าวัดใดๆคุณไม่จำเป็นต้องเป็นทาสของนักบวชคนใดตำรับตำราเล่มใดหรืออำนาจอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งเท่านั้นที่ดำรงอยู่และความสว่างนั้นคือความรักและความเงียบ